นั่นแหไม่แรงไม่กำลังใจถ้าเราทำความสงบได้นั่นและกำลังใจของเราเพราะความสงบเป็นกำลังอย่างสำคัญจิตใจที่ไม่สงบเป็นทุกอย่างหนึ่ง ความพุ่งสร้างความรำคาญเกิดขึ้นจากความไม่สงบน่นเองความหิวความอยากก็เกิดขึ้นจากความไม่สงบทำให้ใจิตใจกระทบกระเทือนหลายอย่างบอกชม้ม แต่จิตใจก็ยังไม่ค่อยจะรู้ตัวจิตใจโดยมากไปรู้แต่อารมณ์อย่างอื่นโดยสำคัญว่าได้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจะเกิดจะได้ความสุขจะเป็นประโยชน์เหมือนกับริง ที่อยู่ไม่เป็นสุขผิดไปจะไปตรงนั้นจะได้กินไปตรงนี้จะได้ความสุขจากปีนนั้นพอไปถึงแล้วไม่ได้ความสุขคิดต่อไปอีกกระโดดต่อไปอีกอยู่เรื่อยไปจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อทุกข์บีบคั้นแล้วก็หาความสุข ได้สิ่งนั้นจะมีความสุขได้สิ่งนี้จะมีความสุขพอได้มาแล้วที่แรกเราได้ความพอใจในสิ่งที่เราพอใจเล็กๆหน่วยน้อยความพอใจหล่อนั้นความสุขนั้นคอยจุดจางหายไปหาสิ่งใหม่มาอีกคิดเรื่องใหม่มาอีก วนเวียนอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดได้สักอย่างที่พึ่งอย่างสำคัญยิ่งคือความสงบแต่เรามาสร้างจิตใจของเราให้เป็นสมาธิตั้งมันในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ที่พระองค์สอนให้ยึดเป็นที่พึ่งก็ยึดสมาธิของเรานี่แหละให้จิตมีสมาธิตั้งมัน่น อ, อ, อยู่ในธรรมอันชอบคือสติะระลึกรู้ตัวอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ปล่อยวางเพราะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ถ้ามาเกิดขึ้นที่อื่นไม่มีปัญหาแต่เกิดขึ้นในจิตนี่ยมมีปัญหาเกิดขึ้นในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สิ่งที่ไม่ไดีาำหลักตามความจริงแต่ถ้าจิตเราไม่ฉลาดก็ไปหลงเข้าใจผิดไปยึดสิ่งที่ไม่ดีสำคัญว่าเป็นที่ดี สิ่งที่เกิดความทุกข์สำคัญว่าจะมันจะเกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่ตัวเราผลสุดท้ายก็มือเ่าไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หลับทำคำสอนพระพุทธเจ้าเทพพระองค์ให้ยึด เป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือสมาธิผีดทั้งจิตให้ตั้งมันอยู่ในกุศลธรรมกุศลธรรมนี่ก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราเพื่อไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษเป็นภัยนี่เองไม่ใช่อื่นก็กลับมาอยู่ในสิ่ง ที่เราเลิกละทำความไม่ดีนั่นเองที่เรามาตั้งอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายสมาธิเสมือนกันในมักต์ประกอบไปด้วยองค์แปดที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้มีสมาธิทิเป็นหัวหน้าแล้วก็มีสมาสังตโปโ มสมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสมาสมาธิทั้งแปดนี้เวลาจะออกชื่อดําเนินปฏิบัติแล้วออกชื่อแต่สมาธิปฏิบัติสมาธิทางจิตให้เป็นสมาธิเจริญสมาธิสมาธิอยู่สุดท้าย รวมยอดอยู่ในสมาธินี่เพราะอะไรเพราะสมาธินี่ทําให้จิตสงบทําให้จิตมีความสุขทําให้จิตตั้งมัตยเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นที่รวมของมัตยทั้งแปดประชุมอยู่กับสมาธิเรามาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้กับพุทธันมาเจริญสมาธิก็คือภาวนา คำว่าภาวนาก็คือมาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์มัทิติองค์ทั้งแต่ให้ครบถ้วนให้มารวมอยู่ในสมาธิจิตจึงจะมีปัญญามีกำลังสติกำลังปัญญารักษาตนให้ได้ความสงบไม่หวั่นไหว ไม่ลงไหลาตามสังขารที่มันปุ่งขึ้นสังขารที่มันปุ่งขึ้นถ้าเรากำหนดให้ง่ายๆร่วมยอดและยินมว่าสังขารสังขารไม่ทราบว่ากำหนดตรงไหนไม่ทราบว่ารู้ได้ตรงไหน สังขารก็คือสิ่งที่ผุงแตกคิดนึกไม่จิตนั่นเองที่ปรากฏขึ้นเกิดตัวเราที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่ปรากฏนั่นเองเรียกว่าสังขารมีทั้งกายมีทั้งทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารทางจิตใจที่มันปรุงแต่กเกิดขึ้นเก่ตัวเราถ้าเรามารู้จักกําหนดได้เข้าใจแล้ว จะได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาอันชอบเหมือนกันจากสังขารสังขารเราต้นเข้าใจว่าสังขารส่วนไหนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราทุกข์ทำให้เราเว้นหมายทำให้เกิดความไม่สบายเกิดความเกลียดความชังจิตไม่ชอบสังขารตัวนั้นเป็นตัวทุกข์ สังขารตัวไหนที่เราเห็นได้ยินหรือปรากฏขึ้นมาแล้วทําให้เราใหา้ชอบให้เราพอใจให้เรายินดีสังขารประเภทนั้นน่ยสมุทรไทยให้ระวังสังขารตัวทุกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่สังขารตัวสมุทรทางเนี่มันผูกมัดเราอย่างสําคัญหาทางออกที่ยากที่สุดสิ่งที่เราชอบ เมื่อเราจบลงชอบมีความพอใจมีความยินดีแล้วใครจะดึงไปที่อื่นมันดึงออกยากมันไปผูกพันมันไปติดมันไม่เชื่ออย่างอื่นทั้งเกิดความพอใจแล้วมันก็ไม่คนขวายใครจะบอกที่อื่นธรรมะหนทางพ้นจะทุกข์ทรมายมันก็ไม่เชื่อบอกสิ่งนั้นเป็นโทษทรมารยมันก็ไม่เชื่อเพราะมันชอบ มันพอใจมันยึดติดถ้าว่าเราไม่ยึดดับคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีโอกาสรู้ว่าสมุทัยคืออะไรเห็นแต่สิ่งที่เราชอบเห็นไแต่สิ่งที่เราพอใจถ้าทำให้เรามีความสุขทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงให้เราเกิด ทุกดินโดนเกิดตัญหาสร้างตัญหามาตลอดแต่เราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อันนี้เองเราจึงได้รับความเศร้าหมองได้รับความกระทับกระสือนใจอยู่ตลอดที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรายึดหลักตรงนี้เห็นชัดในเรื่องนี้เรื่องสังขารนันนี้ เมื่อสังขารยังมีอยู่ตรับใดอวิชชาความไม่รู้มันก็ยังมีอยู่เมื่ออวิชชามีอยู่และชื่อวาอาสวะเครื่องดองในจิตใจมันก็มีอยู่ก็อวิชชาสวะเมื่ออาสวะทัาอาวิชชามีอยู่อาสวะอื่นๆมันก็มีด้วยกันการมาสวะก็มีด้วยกัน ภาวะวะมุกมีอยู่เพราะอาวิชาเป็นตัวที่สาคัญเหมือนกับความไม่รู้อาวิชาท่านเปรียบเหมือนกับมืดอะไรไม่อยูงเราก็ไม่รู้จักเพราะมันมองไม่เห็นจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่รู้จักความมืดของดวงใจไม่ใช่มืดเหมือนกับสินเหมือนกับตาแต่ท่านเปรียบเทียบ มืดดวงใจในตามันเห็นอยู่นึกว่าเราไม่มืดเพราะทุกอย่างเราก็เห็นทุกอย่างเราก็รู้ก็เลยอวิชชาไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนที่เราได้เรียนมากๆแล้วเราก็มีความรู้มากามเลยนึกว่าเราไม่มีอวิชช า, าเลยแก้ไม่ได้อวิชชานี้เป็นชื่อของ ที่ไม่รู้อริยสัจจะทำคือความจริงเมื่อตรัพได้เรายังมีทุกยังมีความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลอยู่ตรับนั้นอวิชชามีอยู่ตลอดเวลาเพราะอวิชชานี่เองเป็นมูลฐานให้มีความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงในเองเป็นมูลฐานให้คนทำกรรมอันเป็นบา เป็นเหตุให้ทำลายร่างฐานซึ่งกัลปต์ให้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยในวัฏจักรสงสารนี่มันมีอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราควรพิจารณาให้จิตยอมรับความจริงพรหมนี่เราจะได้ปล่อยวางแล้วจิตใจกจ็ได้สงบถ้าไม่เห็นอย่างนี้จิตใจก็มันปล่อยวางไม่ได้มันก็ลงไมอยู่นั้น การพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่จริงเมื่อใช่เรายกโทษหรือให้โทษโดยปราศจากความจริงเราพุูเจ้าไม่ได้พูดปราศจากความจริงเราดูไปแล้วก็รู้แต่มันไม่เที่ยงจริงจริงมันทุกจริงจริงไปดูจิตก็เป็นความจริงของจิตที่พระองค์ทรงตรัส ว่าอาวิชชาที่เราไม่รู้อริยสัจมันก็เป็นสิ่งเหมือนกระองพูดทุกอย่างมาดูกายดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสดูสัมผัสถ้าเราไม่ได้สับตรับฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วนึกว่าเรามีความสุข แต่เมื่อมาพิจารณาให้ละเอียดที่ท่วนแล้วสิ่งนี้เองเป็นปัจจัยที่ให้เราทั้งหลายได้ทุกข์ที่เราไม่รู้ความจริงนี่เองเพราะไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สนุกไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรส จ, จากสัมผัสที่เกิดฉันทะความพอใจความดีใจ ความชอบให้จับหลักให้ได้ว่าอะไรทำส่วนไหนความเห็นส่วนไหนเป็นเครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้เกิดปัญญาทำส่วนไหนเป็นเครื่องมาพ่อพูนจิตให้มัวเมาจิตหลงนี่เราต้องดูให้ชัดรู้ให้ชัดในจิตของเรานี่นะเพราะฉะนั้นจึงมาอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ในที่วิเวกอยู่ป่าก็เพื่อ ม, มีโอกาส ได้ดูจิตใจของเราให้มันชัดให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาเพื่อให้สิ้นสงสัยเพื่อให้เกิดความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความดําริชอบขึ้นมาการปฏิบัติชอบตลอดทุกพยาย่างชอบให้ได้ความสงบโดยทางที่ชอบได้ที่พึ่งหลักจิตหลักใจในทางที่ชอบจริง ให้กำหนดจริงดูจริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีท้งส่วนที่ไม่ดีดีมันก็มีพวะเราเพอจะรู้ได้ในส่วนดีในตัวของเราก็เราเพรา็จะหาพบได้หาความสงบได้หาความสุขความเบิอานเพราะพระพุทธทมปฏิบัติทรรมได้ไม่ใช่ว่าไม่มีในตัวของเรา มันมีอยู่แล้วแต่เราจะเอาอันไหนออกแล้วจะยึดอันไหนไว้เป็นหลักเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องความฉลาดของจิตใจเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดให้มันชัดให้เราได้เห็นชัดให้เด็ดขาดลงไปอย่าให้เกิดวิกิจิจฉาตัวโมหสะสันนก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยนี่เป็นเครื่องขัดขวาง ความสงบที่เรียกกัดขวางสมาธิฉันเรียกหลนนี้บอดเป็นกิเลสที่ทำให้จิตใจของเราไม่ให้ข้ามวัตตักไปได้ถูกมัดอยู่ในภพวนเวียนอยู่ในวัฏจะความสงสัยตรงนี้ถ้าเราสามารถแก้ปัญหารเรื่องสงสัยนี้ได้่ากับอารข้าม ภูเขากันดานอันลูกที่สำคัญเราจะได้ตกขนทางอรยิยมรรคในเบื้องต้นทีเดียวเราจะได้สู่กระแสอันเทศสียมให้กลับมาสู่วัฏฏะวนเวียนอีกไม่มาสู่อาบายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นให้เราทำลายพยายางเมื่อมีโอกาสอย่างนี้ อย่าปล่อยโอกาสอันดีอย่างนี้ให้หลงไหลไปอย่างอื่นในสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์จากนี้ไปตั้งใจรับพอ